จเจริญพรทุกท่านพ่อไปเทศมาหลายที่ที่นี่เยอะเยนประทับใจที่สุดโอเคนะดูพวกเราส่วนใหญ่ก็เคยฟังที่หลวงพ่อเทศมาแล้ว เห็นหน้าแล้วดูออกคนที่เรียนีับหลวงพ่อหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดานะพูดให้ติดๆกันนะไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาหน้าตาไม่เหมือนมนุษย์คนในโลกมันมันมีแต่คนหลงหาคนรู้สึกตัวหายาก วันมันหนึ่งจิตมันก็หลงตลอดเวลาหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิน่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสที่ร่างกายหลงไปคิดทางใจหลงกันทั้งวันคนที่จะมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจในแต่ละวันเนี่ยหายาก ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้พราริยบุคคลไม่ค่อยจะมีเกิดขึ้นยากแต่ถ้าพวกเรามีสติได้มากที่สุดรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ได้ทั้งวันไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็รู้สึกตัวหายใจออกหายใจเข้าก็รู้สึกตัว จะทำอะไรก็รู้สึกตัวหรือรู้ทันความเคลื่อนไหวของร่างกายของจิตใจทำได้มากๆนะโอกาสที่เราจะได้มักผลในชีวิตนี้มันก็มีแท้จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากที่เกินกว่ามนุษย์ธรรมดาจะทำได้ธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ย เป็นธรรมะที่พอดีพอดีที่มนุษย์ธรรมดาทำได้นี่คนส่วนใหญ่มันไม่ยอมทำหลวงปูดูลเคยบอกหลวงพ่อเลยประโยคแรกที่ท่านสอนหลวงพ่อท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินี่เป็นเรื่องจริงเลยเมื่อก่อน ฟังท่านครั้งแรกเจอท่านครั้งแรกวันที่6กุมภา 2,725 เจอครั้งแรกไปกราบท่านบอกว่าผมอยากปฏิบัติหลวงปู่นั่งหลับตาเพลเกือบชั่วโมงหนึ่งลืมตาให้มาท่านก็บอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ อ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้ให้อ่านจิตตนเองท่านสอนเท่านี้เองตอนนั้นฟังท่านก็ยังสงสัยยังลังเลสงสัยว่าการปฏิบัติไม่ยากแล้วทำไมหาพระอริยาบุคคลยากเหลือเกินมันขัดแย้งกัน แต่หลวงปู่ก็มาสรุปบอกว่ามันยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินั้นถ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วไม่ยากเลยที่เราจะบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้มันจะยากอะไรเป็นพระโสดาบันไม่ใช่เป็นมนุษย์ประหลาดพระโสดาบันต่างกับพวกเรานี้เดียวเอง ตรงที่เข้าใจความเป็นจริงของร่างกายจิตใจของตัวเองเข้าใจความเป็นจริงที่ว่าตัวเราไม่มีมีแต่ร่างกายรูปธรรมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีนม า, ามธรรมคือความรู้สึกนึกคิดรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ย ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาความจำได้หมายรู้ก็ไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขาความปรุงดีปรุงชั่วอย่างรอบกรดลงความรอบไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่เรื่องยากอะไรเรื่องธรรมดาจิตที่เป็นคนรับรู้อารมณ์ก็ไม่ใช่คนใช่สัตว์ใช่เราใช่เขา ถ้าเมื่อไรเราเห็นความจริงตรงนี้ได้เราเป็นพระโสดาบันขันแรกถือศีลห้าไว้ก่อนต้องถือศีลห้าไม่ต้องถึงศีลแปดหรอกแค่ศีลห้าข้อรักษาให้ได้ไม่นเป็นคุณสมบัติเบื้องต้นของพระโสดาบันโสดาบันมีศีลห้าพระโสดาบันไม่งมงายไม่เชื่อมองคลตื่นข่าวไม่งมงาย เงือนอะไรที่งมงายในชีวิตเราเนี่ยนะถอดถอ น, ถอ น, ถอนทิ้งไปซอย่าไปเชื่อมันนะเชื่อเลิกเชื่อยามเชื่อดวงอะไรนี้นะเฮงสวยมีเคราะดีเคราะร้ายพระโสดาบันไม่เชื่อสิเหล่านี้พระโสดาบันเชื่อแต่เรื่องกรรมกับผลของกรรมนะเชื่อการกระทำของตัวเองกรรมนั้นทำเอาเองไม่มีใครเข้ามาทำให้ พระโสดาบันลักความเห็นผิดว่ามีตัวมีตนท่านลังความเห็นผิดได้เพราะท่านเห็นถูกการมีธีลักความเห็นผิดง่ายนิดเดียวเห็นให้ถูกสิถ้าเราเห็นแต่ผิดผิดมันก็เกิดความคิดผิดผิดเกิดการเชื่อผิดผิดนะมันผิดเป็นระดับระดับไปเริ่มจากหมายรู้ผิดก่อนอย่างคนในโลกนี้หรือสัตว์ทั้งหลายนะมันหมายรู้ผิด มันคิดว่านี่คือตัวเรานี่คือของเราพอมันหมายรู้ผิดเวลาคิดมันก็คิดผิดว่ามันมีเราขึ้นมาพอมันคิดผิดมันก็เกิดความเชื่อผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิคิดผิดผิดเป็นทิฏฐิวิปลาดว่ามีตัวตนจริงๆงั่นพวกเราถือศีลห้า นะห้าข้อพอละจําได้ไหมห้าข้อมีอะไรจําได้ไหมใครจําไม่ได้ยกมือซือหลวงพ่อจะยกเท้าให้ถือสีนห้าไว้ก่อนแล้วก็เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอย่าเชื่ออะไรซึ่งไม่มีเหตุมีผลชาพุทธเราต้องมีเหตุผล จากนั้นพยายามมาเรียนรู้ความจริงตรงไหนบ้างที่เรารู้สึกว่ามันคือตัวเราของเราดูลงไปตรงนั้นเลยสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราเริ่มต้นแต่ร่างกายร่างกายนี้รู้สึกนี่ตัวเรานี่มือเรานี่แขนเรานี่หัวเราอเ น, นี้ยรู้สึกอย่างนี้มันหมายรู้ผิดผิดวิธีดู ให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรทำใจให้สบายใช้ใจปกติใช้ใจของมนุษย์ธรรมดานี่เองคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายรู้สึกยังไงตอนนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมใครไม่รู้ว่าตอนนี้นั่งอยู่บ้างไปปรึกษาจิตแพทย์ได้เลยนั่งอยู่รู้สึกว่านั่งอยู่มันยากไหม ไม่ยากอะไรเลยมันเรื่องธรรมดาเนี่ยหลวงพ่อก็นั่งอยู่อย่างเนี้ยนะเราก็แค่รู้สึกว่าเออร่างกายมันนั่งใจเราเป็นคนดูร่างกายมันนั่งใจมันเป็นคนดูร่างกายมันยืนมันเดินมันนอนนะใจเราเป็นคนดูไปเรื่อยๆพยายามรู้พยายามดูไปเรื่อยๆนะหรือตอนนี้นั่งอยู่ เห็นร่างกายมันหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าดูออกไม่ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเวลาดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าต้องทําใจให้ผิดธรรมชาติไหมต้องทําใจขลึ่มไหมพอขลึมได้ที่แล้วถตุยดูตอนนี้กําลังหายใจตอนนี้กําลังนั่งนี่เรื่องมากเกินไปะใช้ใจของคนธรรมดาใจอย่างขณะนี้แหละะ รู้ไหมกำลังนั่งอยู่ลองพยักหน้าสิเห็นไหมร่างกายพยักหน้าเห็นหมดูหน้าตาหลวงพ่อเห็นไหมหน้าตาปกติหลวงพ่อไม่ได้ทำหน้าแบบนี้เลยเ น, นะดูเหมือนกิ้งกานะแล้เคลื่อนไหวให้เป็นธรรมชาติไม่ต้องดัดจริตไม่ต้องดัดแปลง ร่างกายไม่ต้องดัดแปลงจิตใจเราอยากดูความจริงว่าความจริงของร่างกายเป็นยังไงเราก็อย่าไปดัดแปลงมันเราอยากดูว่าความจริงของจิตใจเป็นไงก็อยา่าไปดัดแปลงมัน ร, รู้อย่างที่มันเป็นมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะนี้ส่วนใหญ่พอคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยมันจะเริ่มดัดแปลงเริ่มปรุงแต่งเริ่มบังคับร่างกายเริ่มบังคับจิตใจอย่างเราหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนือ่อย เอาพอถ้าหลวงพ่อบอกว่าเอาต่อไปนี้ทมอนาปนสติต้องขยับก่อนต้องนั่งให้ดูดีก่อนพอนั่งได้ที่แล้วก็ต้องทำใจขรึมแล้วก็หายใจนะเหนื่อยหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เหนื่อยแต่ว่าหายใจมาตั้งแต่เกิดนั้นหายใจดีนะ หายใจได้ดีแล้วสิ่งที่ไม่ดีมีนิดเดียวคือไม่รู้ว่ากำลังหายใจอยู่ไม่เห็นว่าร่างกายมันหายใจนะงั้นเราจะใช้ชีวิตปกติที่สุดเป็นคนธรรมดาที่สุดสิ่งที่เราต่างจากคนธรรมดาก็คือเรามีความรู้สึกตัวมีสติอย่างเราเห็นร่างกายมันพยักหน้าเห็นร่างกายมันขันแล้วมันเกาเนะี่ยเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหว เห็นความรู้สึกต่างๆมันเกิดขึ้นอย่างพอหลวพ่อพูดคาว่าขันพวกเรารู้สึกไหมพวกเราเริ่มขันและรู้สึกไหมเมื่อกี้หลวงพ่อไม่พูดคาว่าขันพวกเราเก่าเก่าโน้นเก่านี้นะแต่เราไม่รู้สึกตัวคนทั่วไปในโลกมันไม่รู้สึกตัวมันแค่นั้นเองถ้าคอยรู้สึกตัวอยู่ไม่นานก็จะเห็นความกิ่ของสิ่งที่เรียกว่าตัวเรา ก็จะพบว่าตัวเราไม่มีหรอกอะไรที่ถูกรู้อันนั้นไม่ใช่ตัวเรายกตัวอย่างเห็นไหมแก้วน้ำแก้วน้ำถูกเรารู้ใช่ไหมเรารู้แก้วน้ำโดยอาศัยอะไรสายตามีแต่ตาไม่มีจิตก็ดูอะไรไม่ได้เนี่ยเรามีตานะแต่ใจเราลอยไปที่อื่นในี่ลวพ่อยกแก้วก็ไม่เห็น แล้วมันมีจิต ท, ที่ไปรับรู้รูปทางตาอาศัยตาไปรู้รูปรูปที่ตามองเห็นแก้วน้ำเนี่ยดูให้ดีใครรู้สึกว่าแก้วน้ำนี้เป็นตัวเราบ้างรู้สึกไหมเป็นตัวเราถ้ามีปรึกษาจิตแพทย์ได้แล้วบ้าแล้วเห็นไหมว่าในโลกนี้นเต็มไปด้วยคนบ้า มันจะหลงว่ามันมีตัวเราไปหมดเลยถ้าแก้วน้ำก็ของเราเอนี่ก็ตัวเราจีวรของเราถ้าใครจะมาแย่งอย่ามาแย่งของกูเพิ่มดีกรีไม่ใช่แค่เราแล้วกูเลยก็ห่วงะอะไรที่ถูกรู้อันนั้นจะสะท้อนให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกของที่ถูกรู้ไม่ใช่เราหรอกดอกไม้ข้างหน้านี้ มันถูกรู้ใครเห็นดอกไม้นี่เป็นตัวเราบ้างก็เพี้ยนแล้วละ่ะถ้าเห็นอย่างนั้นในไหนไหนก็นนนยกแล้วไม่ยก เ, เปล่าเปล่านะเสียพลังงานเราลองดูสิทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เราไปสัมผัสเข้ารูปที่ตามองเห็นนะอาศัยจิตไปรู้รูปทางตาเสียงที่ได้ยิน กลิ่นที่จมูกไปรู้นะแต่ทจริงก็คือจิตมันอาศัยจมูกไปรู้กลิ่นลิ้นที่ไปรู้รสใครรู้สึกว่ารสเป็นตัวเราบ้างใครรู้สึกว่าสิ่งที่เรามองเห็นเป็นตัวเราบ้างใครรู้สึกว่าเสียงที่เราได้ยินเป็นตัวเราบ้างพวกนี้ดูง่ายรู้สึกไหมรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่สัมผัสร่างกาย อย่างอากาศเย็นๆมากระทบเนี่ยใครรู้สึกว่าอากาศเย็นๆคือตัวเราบ้างถ้าอย่างนี้เพี้ยนหนักนะงนั้อายตนาภายนอกมันดูง่ายว่ามันไม่ใช่ตัวเราเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ตัวเราสิ่งที่เรียกว่าอายตนาภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสนะความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่มันกระทบร่างกายแล้วก็เรื่องราวที่ใจคิด นะสิ่งเหล่านี้ดูง่ายว่าไม่ใช่ตัวเราของที่ดูยากกว่าคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้จะดูให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราก็ยากเหมือนกันนะจะต้องค่อยๆดูค่อยๆสังเกตไปลองจับแขนตัวเองซิลองนวดดูรู้สึกไหมบางที่มันแข็ง นวดไปแเจอกระดูกเขาก็แข็งใช่ไหมตรงไหนมีเนื้อเยอะหน่อยหรือแก่แล้วหนังยานยานจับแล้วมันนิ่ ม, มรู้สึกไหมบางที่แข็งบางที่นิ่ ม, มตรงที่แข็งแข็งมันพูดไหมมันบอกไหมว่ามันคือตัวเรารู้สึกไหมว่าแขนเนี่ยไม่ใช่ตัวเรา<ม>เราสัมผัสดู เอาตรงที่เจอหาที่แข็งๆก่อนหาที่แข็งๆตรงที่แข็งนะะมันบอกไ้ยว่ามันเป็นตัวเรานะเอาที่นิ่มๆนะลองดูสัมผัสดูมันเป็นเราไหมสังเกตไ้ยคำว่าเราคือความคิดแขนมันไม่เคยพูดเลยว่ามันเป็นเรามันพูดไม่ได้เนะงี้ยตรงความเป็นเราเนี้ยในความเป็นจริงแล้ว เกิดจากความคิดเท่านั้นเองเกิดนะจากการคิดผิดๆนะมันหมายรู้ผิดก่อนหมายรู้ด้ยความสําคัญมั่นหมายว่านี่คือตัวเรานี่ของเราแล้วเวลาคิดถึงมันนะก็จะคิดว่ามันคือตัวเรามันคือของเราพอ ค, คิดเสร็จแล้วก็จะเชื่อว่ามันคือตัวเรามันคือของเรานะสิ่งที่ได้มาคือมิจฉาทิฏฐิได้ความเชื่อที่ผิดๆ นี้ทํำยังไงเราจะเกิดสมาทิฏินะมีความเห็นที่ถูกต้องจะมีความเห็นที่ถูกต้องก็ต้องหมายรู้ให้ถูกต้องก่อนต่อไป น, นี้แทนที่จะหมายรู้ร่างกายนี้ก็คือตัวเรานะหมายรู้ใหม่ว่าร่างกายนี้มันเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูใจเราเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ ลองดูซิทําใจให้สบายสบายทำใจใปกติไม่ต้องทําขรึมรู้สึกไหมร่างกายที่นั่งอยู่มันกําลังถูกรู้ถูกดูอยู่ร่างกายที่กําลังหายใจมันถูกรู้ถูกดูอยู่เห็นไหมร่างกายพยักหน้าลองพยักหน้าซิร่างกายที่พยักหน้ามันถูกรู้ถูกดู สังเกตไหมของที่ถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราหรอกมันไม่ใช่ตัวเรามันง่ายๆแค่นีเองอะไรถูกรู้นั้นไม่ใช่เราหรอกอันนี้พอทำได้ยังใครยังไม่ได้ใครยังเห็นร่างกายเป็นตัวเราอยู่ยกมือสิยังมีอยู่นะมีหนึ่งคนนอบนั้นไม่ใช่คนนะ นะมีอยู่หนึ่งคนมีเรานะหัดใหม่ๆที่แล้งงนะยิ่งคิดมากว่าเอ๊ะพระองคนี้พูดเลยว่าฟังไม่รู้เรื่องยิ่งคิดยิ่งสงสัยยิ่งมองไม่เห็นความจริงความจริงนั้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเราทนโทษเลยไม่เคยหายไปไหนเลยนะจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าความจริงก็คือความจริง แต่พระพุทธเจ้ามาคนพบวิธีที่จะรู้ความจริงเท่านั้นเองวิธีให้รู้ความจริงก็คือให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกว่ามีสัมมาส ม, มาธิพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ร่อนเร่ไปปกติจิตใจของคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมันร่อนเร่ตลอดเวลามันร่อนเร่ไปดูรูปไปฟังเสียง ไปดมกลิน่นไปลิ้มรถไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจเนี่ยธรรมดาหัวใจมันจะหนีอย่างนี้ตลอดนี่แทนที่เราจะปล่อยให้มันร่อนเร่ไปนั้นเราคอยรู้เท่าทันมันนะจิตเาวิ่งไปดูรู้ทันจิตวิ่งไปฟังรู้ทันจิตวิ่งไปคิดรู้ทันคอยรู้ทันบ่อยๆนะแล้วสมาธิจะเกิดขึ้นเห็นไหมวิธีทำสมาธิไม่ใช่ยากอะไรเลย ไม่ต้องนั่งทรมานอะไรมากมายเลยแค่รู้ทันว่าใจไม่มีสมาธิสมาธิก็ เ, เกิดแล้วนะใจที่ไม่มีสมาธิคือใจที่หนีไปหนีไปเรื่อยๆหนีไปดูหนีไปฟังหนีไปต้มกลิน่นหนีไปริมรถหนีไปรู้สัมผัสทางกายหนีไปคิดทางใจมันหนีอยู่ตลอดวันนะถ้ า, าอยากฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเราก็แค่คอยรู้ทัน ใจหนีไปดูรู้ทันใจหนีไปฟังรู้ทันใจหนีไปคิดรู้ทันรู้ทันบ่อยๆพอนะเรารู้ทันแล้วเนี่ยใจเราจะกลับมาอยู่ที่ตัวเองโดยที่ไม่ได้เจตนานะจิตเราจะตื่นขึ้นมาเราจะได้สมาธิพอจิตใจเราตื่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเราค่อยๆเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจไปร่างกายเคลื่อนไหวเราค่อยรู้เท่าทันใครเป็นคนรู้สติเป็นคนรู้ สิ่งที่คอยรู้กายรู้ใจเรียกว่าสติและไม่ใช่สติธรรมดาสติที่รู้กายรู้ใจเรียกว่าสติปัฏฐานเคยได้ยินไหมคำว่าสติปัฏฐานถ้าทำสติปัฏฐานต่อเนื่องบางคนเจ็ดปีก็เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระอนาคามีบางคนที่อินทรีย์แก่กล้ามากขึ้ น, น แค่เจ็ดเดือนก็เป็นพระอรหันต์หรือเป็นพระนาคามีถ้ายินรีแก่กล้ามากแค่เจ็ดวันก็เป็นพระอรหันต์ได้นะหรือว่าบางคนวันเดียวเจริญสติปัฏฐานวันเดียวก็เป็นพระอรหันต์ได้นะเพราะฉะนั้นการเจริญสติปัฏฐานไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ก, การเจริญสติปัฏฐานนี่กขั้นแรกเลยให้จิตใจยอยู่กับตัวเองก่อนจิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวมีสมาธิที่ถูกต้อง ถัดจากนั้นก็คอยะระลึกรูนะ้ร่างกายทำอะไรอยู่คอยรู้สึกไปจิตใจเป็นยังไงคอยรู้สึกไปแค่นี้เองง่ายง่ายแค่นี้เองไม่ใช่มีอะไรลึกลับเลยนะพวกเราไปทำของง่ายให้ยากนะทำของที่เปิดเผยให้ดูซับซ้อนลึกซึ้งจนกระทั่งดูไม่ออกดูง่ายๆร่างกายนั่งอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเรานั่ง ร่างกายหายใจเป็นของถูกรู้ถูกดูนะรู้มันทั้งตัวเนี่ยไม่ใช่ต้องไปรู้ที่ใดที่หนึ่งในร่างกายนะรู้ตัวทั่วพร้อมไวรู้มันทั้งตัวคอยรู้สึกไปพอไหวไหมสิ่งที่เราจะฝึกมีสองส่วนนะส่วนหนึ่งคือสมาธิฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอันที่สองพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วเนี่ย ร่างกายเคลื่อนไหวมีสติรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวมีสติรู้ทันแค่นี้แหละถ้ามีสมาธิคือมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเวลาร่างกายเคลื่อนไหวเวลาจิตใจเคลื่อนไหวมันจะไม่หลงไปคนในโลกนี้ไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นจิตมันจะหลงตลอดเวลานะมันจะลืมกายลืมใจวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เรื่องเผลอมีแต่เรื่องลืมตัวเอง งั้ก็ไม่สามารถที่จะมีสติรู้กายรู้ใจได้เพราะจิตใจมันหนีไปจากร่างกายจิตใจของตัวเองซะแล้วงั้นเราต้องพยายามฝึกนะวิธีฝึกทำยังไงอันนี้สอนวิธีปฏิบัติเลยนะพวกเราควรจะทำถ้าทำได้เนี่ยมักผลไม่ไกลเราเท่าไรหรอกอันแรกเลยฝึกให้มีสมาธิให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัววิธีฝึกสมาธิไม่ใช่บังคับจิตว่าห้ามเผลอ จนะ ใ, ให้จิตใจอยู่กับเนื้อกัตัวก็ห้ามเผลออย่างนี้หน่อยไม่ต้องห้ามทํากรรมฐานสักอย่างหนึง่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดถนัดพุดโทโธก็ใช้พุโทโธถนัดหายใจก็ใช้ลมหายใจไปอย่างเวลาพุโทโธนะเราก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธไปพุโทโธเป็นความคิดพุดโทโธเป็นความคิดนะถ้าเราไม่คิดพุดโทโธ แป๊บเดียวจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นขนาดเราคิดพุทโธมันยังทิ้งพุทโธไปคิดเรื่องอื่นเลยจริงไหมงั้นแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสป่านะจงใจคิดพุทโธจงใจคิดคาว่าพุทโธถ้าไม่ชอบคาว่าพุทโธจะเอาคำอื่นก็ได้จะบริกรรมชื่อตัวเองอย่างได้เลยหรือชื่อแฟนเราชื่อคนที่เรารักอะไรเงี้ยอย่าบริกรรมชื่อคนที่เราเกลียดนะ เอาบริกรรมชื่อคนที่เรารักและบริกรรมชื่อคนที่เราเกลียดเนยี่ยโยโทสามันขึ้นเอาบริกรรมชื่อคนที่เรารักเนี่ยบริกรรมไปแล้วสบายใจเพราะสบายใจเนี่ยสมาธิจะเกิดง่ายสมาธิเกิดจากสบายใจความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิงั้นถ้าอย่างบางคนศรัทธาในพระพุทธเจ้าคิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วมีความสุขก็พุทโธไป พุโทโธพุทโธไม่ใช่เพื่อสงบไม่ใช่เพื่อไม่ให้จิตหนีไปพุทโธพุทโธไปเป็นเครื่องสังเกตจิตตอนนี้จิตอยู่กับพุทโธ ร, รู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันพุทโธเพื่อจะรู้ทันจิตลองทําดูนะพุทโธพุทโธไปลองดูสักแป๊บหนึง่งแล้วพอจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นมันจะลืมคิดพุทโธ เรารู้ทนนะานล้าวเผลอไปแล้วเราก็กลับมาพูดโธใหม่ลองทำดูดูออกไหมว่าจิตมันวิ่งไปวิ่งมานั่นแหละสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่ต้องการให้จิตนิ่งๆนะ ถ้าอยากให้จิตนิ่งๆนี่ตื้นเกินไปสมาธิแบบนั้นพวกฤาษีชีไฟธทํามาก่อนพระพุทธเจ้าอยูเราทําสมาธิเพื่อจะให้จิตของเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นตรงข้ามกับจิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงผู้ไหลไปนั่นที่เราพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยเพื่อเป็นเครื่องสังเกตจิต พอจิตเราหนีไปจากพุโทโธไปอยู่ที่อื่นไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยเราจะได้รู้เร็วๆอ้าวลืมพุโทโธไปละนีที่พุโทโธนะเพื่อจะได้รู้ว่าอ้าวลืมพุโทโธไปแล้วไม่ใช่พุโทโธแล้วห้ามลืมเลยนะอย่างนั้นเครียดหรือถ้าไม่ชอบพุโทโธหายใจก็ได้เห็นร่างกายทั้งตัวนี้หายใจเพราะเราลองรู้สึกซิเห็นร่างกายทั้งตัวนี้หายใจอย่าไปดูที่ลมหายใจนะ เห็นร like ่างกายทั้งตัวนี้หายใจรู้สึกไหมตอนที่เห็นร่างกายหายใจเนี่ยบางทีใจก็หนีไปคิดเรื่องอื่นลืมร่างกายที่หายใจตัวนี้เรียกว่าขาดสติจิตมันหนีไปแล้วงั้นที่เรามาหายใจเนี่ยเพื่อเราจะได้รู้ได้เร็วๆเวลามันหลงไป ไม่ใช่หายใจเราห้ามหลงนะถ้าหายใจเราห้ามหลงใจจะเครียดใช้ไม่ได้หายใจไปเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าแล้วพอใจเราหนีไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันหรือบางทีมันไม่ได้หนีไปคิดเรื่องอื่นแต่มันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจลองดูสิลองให้ใจไปอยู่ที่ลมหายใจสิ รู้สึกไหมมันไม่เหมือนกับตมืกี้เมื่อกี้เราเห็นร่างกายหายใจใช้เป็นคนดูใช่ไหมแต่ตอนนี้เราจะดูจิตมันไหลไปอยู่ที่ลมหายใจอย่เราจงใจทำเนี่ยเพื่อจะได้สังเกตมันใครดูออกเวลาจิตไปอยู่ที่ลมหายใจยกมือซิยกมื อ, มอนะใช้ได้นะใครดูออกเวลาเราหายใจแล้วจิตหนีไปคิดใครดูออกเนี่ยถ้ารู้สองอันนี้ภาวนาเป็นละ ง่ายแล้วงั้นอย่างเราหายใจอยู่เนะียจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้อย่างนี้ใช้ได้นะตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลไปนยะจิตจะไม่ไหลจิตจะตั้งมั่นโดยอัตโนมัติสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้นนะลองทดลองดูลาหายใจไปหรือพุทโธก็ได้แล้วก็คอยรู้ทันเวลาจิตมันไหลไป ไหลไปคิดหรือไหลไปอยู่ที่พุโทโธไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาลองทําดูเห็นไหมเห็นจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาไหมถ้าเห็นใช้ได้แสดงว่า เรียนกับหลวงพ่อรู้เรื่องถ้าบอกว่านั่งภาวนาแล้วจิตไม่ไหลไปไหนเลยนิ่งนั้นซื่อบื้อเกินไปนะผิดธรรมชาติเราต้องการเห็นความจริงของจิตใจจิตใจของเราในความเป็นจริงเราคิดนึกปรุงแต่งทั้งวันเลยนะั้นเราไม่ได้ไปฝึกจิตให้มันผิดธรรมชาติพวกเรามีชื่อว่ามนุษย์นะมนุษย์แปลว่าผู้มีใจสูง เพรนใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยดีที่สุดมันดียังไงมันดีตรงที่สุขก็ชั่วคราวทุกก็ชั่วคราวดีก็ชั่วคราวโลภโกรธหลงก็ชั่วคราวมันดีตรงที่ทุกอย่างไม่คงที่นี่แหละมันจะสอนให้เราเห็นความจริงเห็นธรรมะได้ง่ายจิตใจของเราเนี่ยไม่คงที่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนี่เรียกว่าใจเราสูงนะใจอย่างนี้หมอการเจริญปัญญา หมอที่จะเป็นพระอราหันต์ได้ง่ายๆแต่ถ้าเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกใจเราคงที่เลยทุกคงที่ะจะเห็นทุกเกิดดับเนี่ยไม่มีทางเลยมันทุกอย่างเดียวเลยนะหรือไปเกิดเป็นเทวดามีแต่วความสุขสุขทั้งวันเลยดูยากนะว่าเป็นใจรักยิ่งไปเกิดเป็นลมนะจิตสงบทั้งวันทั้งคืนจิตสงบเป็นปีๆจิตสงบเป็นสัตวัดจิตสงบเป็นกับกับ นะจะดูยากมากเลยถึงความเป็นไตรลับเพราะว่ามันนิ่งมันคงที่อะไรที่คงที่เนี่ยไม่ค่อยสอนธรรมะเราหรอกของที่สอนธรรมะเราสอนให้เห็นว่าอนนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยล้วนแต่เป็นของที่เกิดดับอย่างรวดเร็วเท่านั้นเลยนั่นะอย่างใจของเราเนี่ย<ม>เกิดดับรวดเร็วนะเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ลมหายใจเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนะเนี่ยเกิดดับตลอด ตรงที่เรารู้ทันว่ามันวิ่งไปมันก็หยุดวิ่งมันรู้ตัวขึ้นมากลายเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวแล้วก็ไหลไปอีกนะก็กลายเป็นจิตผู้ฟุ้งซ่านผู้คิดนึกปรุงแต่งอีกเราค่อยๆรู้ไปค่อยๆดูไปในเวลาไม่นานนะเราก็จะเห็นความจริงว่าจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้คิดนึกปรุงแต่งผู้หลงไปไหลไปก็ไม่เที่ยง จิตผู้รู้รักษาไว้ไม่ได้จิตที่จะไหลไปหลงไปห้ามมันก็ไม่ได้ไม่ต้องไปห้ามมันนะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเพื่อให้เห็นว่าจิตใจเรานี้เป็นไตรลักษณ์ตรงที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปแล้วเรารู้เราจะได้สมาธิตรงที่เราเห็นว่าจิตนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราจะได้ปัญญาเราจะได้ปัญญา แล้วตรงที่เราเห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตรงนั้นอาศัยสติไปรู้ทันมีองค์ธรรมอยู่ before, <cir c uit> หลายตัวที่ทำงานอยู่ <S <s <Grand>. <S ตรงที่จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยตรงที่เคลื่อนเรารู้ตัวที่เป็นคนรู้นี่เรียกว่าสติ <S <S <s <ucht> <S แล้วตรงที่มันเคลื่อนเนี่ยมันต้องมีความตั้งมั่นก่อนมันถึงจะเห็นความเคลื่อนถ้ามันเคลื่อนอยู่ตลอดเวลามันไม่รู้ว่าเคลื่อนหรอก แต่ถ้าใจเราตั้งอยู่ได้ชั่วขณะถ้ามันเคลื่อนอีกเราจะเห็นเฮ้ยเมื่อกี้ตั้งมั่นตอนนี้เคลื่อนอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เรารู้ว่าเคลื่อนปุ๊บความเคลื่อนจะดับอัตโนมัตินะเพราะตรงที่จิตเคลื่อนเนี่ยจิตไป็นอภูษณ์จิตมีโมหนะชนิดที่เรียกว่าอุทธัจจความฟุ้งซ่านแล้วทันทีที่มีสติรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเราไม่ต้องดับมัน มันดับของมันเองเพราะว่าอะไรเพราะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสนี่เป็นกฎของธรรมะงั้นเราพยายามฝึกนะมีสติกับสมาธินี่คือเครื่องมือสำคัญสองตัวเมอมีสติรู้กายรู้ใจบ่อยๆรู้ไปด้วยจิตที่เป็นคนดูจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนี่ก็มีสัมมาสมาธิมีสติบ่อยๆมีสติถูกต้องนะมีสัมมาสติคือสติพัฒฐา มีสมาธิคือมีจิตตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูมีสองตัวนี้ให้มากเรียกว่ามีสัมมาวายามะสัมมาวายามะคือความเพียรชอบสิ่งที่เรียกว่าความเพียรชอบไม่ใช่แปลว่าเดินจงกรมมนละหลายชั่วโมงไม่ใช่แปลว่านั่งสมาธิทีละสิบชั่วโมงอันนั้นไม่เรียกว่าความเพียรชอบความเพียรชอบหมายถึงว่าอะไรหลวงปู่ ม, มั่นพูดไม่ชัดเลยนะเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นมีความเพียร เมื่อไรขาดสติเพราะนั้นขาดความเพียรงั้นเราคอยมีสติจิตเราเคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้เนี่ยในขณะนั้นมีความเพียรชอบองค์ประกอบของความเพียรชอบก็คืออันที่หนึ่งมีสี่ข้อนะข้อที่หนึ่งก็คือมันทําลายอากุศลนะเพียทรทําลายอากุศลที่กําลังมีอยู่ให้หมดไปข้อสองปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดนะ ข้อาทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นข้อสี่ทำกุศลที่เกิดขึ้นแล้วให้เกิดบ่อยๆให้พัฒนาขึ้นไปตัวนี้เรียกว่าสัมมาวายามะเรียกว่ามีความเพียรชอบเห็นไหมไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งนานหรือเดินนานนอนนานไม่เกี่ยวเลยใช่ไมอยู่ที่สติถ้าเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นกิเลส ท, ที่กำลังมีอยู่จะดับอัตโนมัติกิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่มีสติทันทีที่มีสติ กุศลได้เกิดขึ้นแล้วพระสติเป็นตัวกุศล น, นะแล้วถ้ามีสติบ่อยๆกุศลก็จะเจริญศีล ส, สมาธิปัญญาจะเจริญขึ้นมานะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญมากเลยนะคือการมีสติคอยรู้ทานความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของ ใ, ใจไปเราจะรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้ชัดเจนถ้าใจเราเป็นคนดูใจเราตั้งมั่นแต่ถ้าใจเราโครงเครง ไหลไปตามอารมณ์ด้วยดูไม่ออกดูยากนั่นเรามาฝึกให้จิตใจอยู่กับตัวเองจิตใจไม่หลงไปไม่ไหลไปคอยรู้สึกวิธีก็คือทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมนันหนีไปมนันหนีไปคิดรู้ทันมนันหนีไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกให้ได้นะวันหนึ่งสักสิบนาทียางต่นะอยังต่ำนะสักสบนาทีเบื้องต้น ต่อไปพอฝึกชำนาญเนี่ยอยู่ในชีวิตธรรมดานี่แหละจิตตั้งมั่นหลวงพ่อเนี่ยคุยอวดเลยว่าจิตหลวงพ่อตั้งมั่นมาตั้งแต่เป็นโยมจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นมาตั้งแต่เด็กด้วยคือตอนเด็กๆเนี่ยไปเรียนกับท่านพ่อหลีตอนนั้นเจ็ดขวบท่านพ่อหลีสอนนานาปนานสติหายใจเข้าพุทใหายใจออกโทนับหนึ่ง หายใจเข้าพูดออกโทนับสองนี่นับไปเรื่อยๆถ้าให้นับถึงสิบแล้วก็เก้าแปดเจดหกห้านะหลวงพ่อนับไม่เป็นตอนเด็กอะหลวงพ่อต้องหนึ่งสสามสี่ขึ้นไปเรื่อยๆไปถึงร้อยนับถอยหลังไม่เป็นหลวงพ่อก็ไม่นับถอยหลังนับไม่เป็นไม่นับมันทําไมปวดหัวเปล่าหายใจไปหายใจเข้าพูดออกโทแล้วก็นับไปเรื่อยๆต่อมาพอจิตมันเริ่มสงบเนี่ยการนับมันหายไปเหลือแต่หายใจเข้าฟูดหายใจออกโท พอจิตมันสงบมากขึ้นนะพุทโธหายไปเหลือแต่การหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปเหลือแต่แสงสว่างนะมันเกิดความสว่างขึ้นมาเดี่มสว่างขึ้นมาตรงนี้ตรงที่มันสว่างแล้วหลวงพ่อไล่เดียงสาเกินไปหลวงพ่อไปมองที่ความสว่างไปให้ความสำคัญกับแสงสว่างจิตมันเลยเคลื่อนตามแสงออกไปข้างนอกนะ ไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันเคลื่อนตามแสงไปแล้วต่อมาเฉลียวใจว่าทําอย่างนี้ไม่ดีแน่ถ้าเคลื่อนไปเจอเทวดาไม่เป็นไรถ้าไปเจอผีนี่จะลําบากหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีเพ้นไม่ยอมให้จิตมันไหลตามแสงไปให้ความสําคัญกับจิตแทนที่จะให้ความสําคัญกับแสงนะฉะนั้นเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยจิตมันสว่างใช่ไหมอย่างเงี้ยเราไม่หลงไปอยู่ที่แสงถ้าจิตมันไหลไปที่แสงรู้ทัน จิตนี้วิคิดเรื่องอื่นรู้ทันนี่นจะรู้ทันอยู่ที่จิตนี่แหละเนี่ยทํามาแต่เด็กๆนะในสุดจิตจะตั้งมั่นรู้ตัวอยู่ที่จิตนึงแล้วรวมลงไปร่างกายหายไปไม่มีร่างกายนะเหลือแต่จิตดวงเดียวพอกลับมามีร่างกายปุ๊บเนี่ยกายกับจิตเนี่ยแยกออกจากกันไม่เป็นอันเดียวกันลพะพอร่างกายเนี่ยเคยหายไปแล้วเรารู้ว่าร่างกายไม่ใช่จิตนี่ขันมันแยกได้ตั้งแต่เด็กนะ งั้นจิตหลวงพ่อเนี่ยเป็นผู้รู้นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบาลมาตั้งแต่เด็กๆแต่เราเดินปัญญาต่อไม่เป็นเราไม่รู้ว่าจะเดินต่ อ, อยังไงไม่มีครูบาอาจารย์ท่านพอ่อหลีประมาณศูนย์หกมันก็สิ้นไปแล้วหลวงพ่ อ, อยังเล็กๆหนยเรียนได้นิดเดียวเรียนได้แต่สมถะนะครูบาอาจารย์ไม่มีครูบาอาจารย์ตอนนั้นอยู่แต่ภาคอีสานภาคเหนือเราหาครูบาอาจารย์ไม่ได้เราเด็กเนิ่นเราไปไม่ได้นะ เสร็จแล้วก็ฝึกตัวเองอยู่ด้วยทุกวันนั่งสมาธินะแต่นั่งแล้วก็ไม่ให้ใจเคลิมนั่งแล้วมีสติอยูนะ่วันหนึ่งไฟไหม้ใกล้ใบ้านเล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านนะบ้านเป็นตึกแถวเล่นอยู่ที่ฟุตปาดหน้าบ้านนี้แหละนะเห็นไฟไหม้ตึกแถวติดๆกันนะห่างไปสีห้าห้องตกใจนะคว้าลูกหินเห็นไหมถื อ, อยังไงก็ไม่เลิกงกคนะว้าลูกหินขึ้นมาก่อน ของกูนะวิ่งวิ่งไปบอกพ่อเดีววิ่งเข้าบ้านนั่นแหละก้าวที่หนึ่งไม่รู้ตัวก้าวที่สองไม่รู้ตัวก้าวที่สามเนี่ยเหมือนเปิด์วิตช์ขึ้นจากข้างในเลยะจิตตื่นพลุบขึ้นมาเลยนะความกลัวความตกใจขาดสะบั้นลงไปจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็งงว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้จักสภาวะอย่างนี้ แล้วก็เดินไปบอกผู้ใหญ่ว่าไฟไหม้แล้วเราก็เห็นคนอื่นตกใจนะเราเป็นแค่คนดูเนี่ยของที่เคยฝึกมานะตั้งแต่เล็ ก, ลกๆนั่นใจหลวงพ่อเป็นผู้รู้เจอครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเน่ยหลวงปู่สิมท่าไม่รู้จักชื่อหลวงพ่อท่านตั้งฉายาให้หลวงพ่อว่าผู้รู้เราเจอหน้าหลวงพ่อท่านจะเรียกไงผู้รู้เป็นไงบ้างผู้รู้อย่างงน้นอย่างนี้นเรียกเราว่าผู้รู้พวกเราก็เป็นได้นะไม่ใช่เป็นได้เฉพาะหลวงพ่อหรอก แต่พวกเราส่วนใหญ่มันไม่ยอมเป็นนะถ้าปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติหากรู้สึกตัวบ่อยๆใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีแล้วรู้ฝืน อ, อย่างนั้นก็ได้ไม่ต้องเข้าฌานหรอกนะแค่ใจหนีแล้วรู้ใจหนีแล้วรู้ไปเรื่อยๆในี่สุดใจมีจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดนะูไม่ใช่ผู้หลงไปผู้ไหลไป พอเราได้จ um ิตท <spong es. S 1> ี่เป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเนี่ยมีสติรู้เวลาร่างกายเคลื่อนไหวมีสติรู้ทันด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเวลามีความรู้สึกนึกคิดต่างๆเกิดขึ้นมีสติรู้ทันนี่โกรธแล้วมีสติรู้ว่าโกรธนะมีโลภแล้วมีสติรู้ว่าโลภโดยที่มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มันจะเห็นว่าความโกรธกับจิตเนี่ยเป็นคนละอนกันความโลภกับจิตก็เป็นโคนละอนกันจิตเป็นคนรู้ นะความโลภความโกรธความหลงความฟุ้งซ่านหดหูความสุขความทุกข์ดีใจเสียใจรู้แต่ของถูกรู้นะจิตเป็นคนรู้มันคนละอันกันร่างกายหายใจจิตที่ยวเป็นคนรู้ร่างกายกับจิตที่ยวเป็นคนละอันกันเนี่ยฝึกอย่างนี้เรื่อยๆไปนะเวลาสติะระลึกรู้กายก็เห็นนะร่างกายมันถูกรู้ไม่ใช่เราเวลาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติรู้ทันว่ามีสุขมีทุกข์เกิดขึ้น จติตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูมันก็จะเห็นนะว่าสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรานะหรือความดีความชั่วทั้งหลายโลภโกรธหลงเนี้ยมันเกิดขึ้นมาสติเป็นคนรู้ทันว่าเฮ้ยโกรธแล้วนะมีคําว่าแล้วด้วยนะเฮ้ยโกรธแล้วนะแล้วโลบแล้วนะนะเวลาดูกิเลส น, นะมันจะดูตามหลังมาอย่างเงี้ยโกรธไปก่อนแล้วรู้ว่าโกรธโลภไปก่อนแล้วรู้ว่าโลภนะีย่ยคอยดูไปเรื่อย แล้วจะเห็นว่าโลกกลดหลงเพไม่ใช่ตัวเราหรอกนะม่เป็นของที่ถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดนะูฝึกให้ได้แบบนี้นะแล้วมรรคผลจะไม่ไกลหรอกเป็นเรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องยากการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนีอ่านจิตตนเองนี่หลวงปู่ดูลสอนหลวงพ่อนะครั้งแรกสอนเท่านี้เองนะสอนเท่านี้เอง การปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองอ่านจิตตนเองทํำยังไงจิตสุขรู้ว่าจิตสุขจิตทุกรู้ว่าจิตทุกจิตดีรู้ว่าจิตดีจิตโลภโกรดหลงรู้ว่าโลภโกรดหลงเนี่ยคอยรู้เท่าทันจิตของตัวเองเรื่อยๆไป ฝึกทุกวันนะแล้วก็ทุกวันทําในรูปแบบเวลาทําในรูปแบบว่าทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจากอารมณ์กรรมฐานหรือมันไหลไปอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานอย่างมันรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมเนี่ยรู้ทันนะนี่ได้สมาธิเสร็จแล้วอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยจิตเราเคลื่อนไปดูรู้ทันจิตเคลื่อนไปฟังรู้ทันจิตเคลื่อนไปคิดรู้ทันก่อนจะรู้ทันในชีวิตจริงได้นะไปฝึกในรูปแบบ เวลาฝึกในรูปแบบเนี่ยเราจะฝึกเน้นอยู่สองช่องเองตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเวลาเราลงมือทำในรูปแบบนะเลือกายกับใจสองงานเองตาก็ไม่มีอะไรจะดูเพราะอยู่ที่เดิมหูก็ไม่มีอะไรจะฟังเพราะมันมีแต่เสียงอย่างเดิมอย่างเราอยู่ในห้องของเราเนี่ยไม่ได้เจอใครไม่ได้ยินอะไรแปลกแปลกใช่ทางตาทางหูเนี่ยมันจะไม่ค่อยทางานไม่รู้จะทำไปทำไมไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้สนใจเลือแต่กายกับใจ เช่นร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะหรือจิตใจเป็นสุขบ้างทุกบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างเดอมแต่ากายกับใจเรียนสองช่องนี้ให้ชำนาญนะจิตใจเราไหลไปทางร่างกายไปที่ร่างกายรู้ทันจิตปรุงแต่งทางใจรู้ทันรู้บ่อยๆแล้วต่อไปพอเรามาอยู่ในชีวิตจริงเเราจะสู้ทีเดียวหกช่องเลยนะมีตาก็ดูมีหูก็ฟัง มีจมูกก็ดมกลิน่นมีลิ้นก็กระทบรสมีกายก็กระทบสัมผัสนะมีใจก็กระทบความคิดนึกปรุงแต่งพอกระทบแล้วทำยังไงกระทบแล้วอย่าไปบังคับให้นิ่งไม่ต้องจงใจรู้นะรู้อยู่ที่จิตอันเดียวรู้ที่จิตอันเดียวตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ให้มันกระทบไปแต่เรารู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวนะเช่นเราเห็นหมาบ้าวิ่งมาเนี่ยจิตเราเป็นยังไง จิตเรากระเทือนขึ้นมาเรากลัวมาบ้ารู้ว่ากลัวเห็นสาวสวยเดินมาใจเราชอบรู้ว่าชอบนะชอบแล้วทำยังไงชอบแล้วก็เดินตามไปดูนะถ้าเขาไม่มีแฟนนะถ้ามีคนหวงฟลอฟจะเตะเราเราก็ดูห่างๆนะ เ, เดินไปดูเราก็เห็นร่างกายมันเดินตามเขาไปทำไมร่างกายเดินเดินตามนะ เพราะว่าใจเราเนี่ยอยากตามเขาไปนะคล้ายๆคนเดินถือขนมไปนะแล้วหมาได้กลิ่นหมาก็น้ำลายไหลแล้วเดินตามแบบเดียวกันนะั่นแหละแบบเดียวกันนะแบบนนะไม่ต่างกันหรอกนะแล้วก็ดูไอ้หมาตัวนี้แหละกำลังเดินตามนะก็เรียกหมาเห่าเหลือบินเนะนี่ยคอยรู้ทันตัวเองไปรู้ทันใจของเรานะใจเราเจอหมาบ้าใจกลัวรู้ทันใจเจอสาวสวย ใจมันชอบรู้ทันนะเจออะไรก็คอยรู้ทันใจขับรถอยู่เจอไฟแดงรู้สึกยังไงสดชื่นไม่สดชื่นหรอกเจอไฟแดงอึดอัดใช่ไหมเจอไฟแดงเราคันที่ห้าอย่างเจ็บใจไม่เท่าเจอไฟแดงคันที่หนึ่งใช่ไหมใครเคยเจอไฟแดงเป็นคันแรกบ้างต้องจอดเป็นคนแรกรู้สึกไหมมันเจ็บช้ำน้ําใจมากเลยนะเนี่ย ไม่ต้องไปดูที่ไฟแดงอย่างเดียวนะพอเห็นไฟแดงแล้วใจมันโมโห ท, ทำไมวะไอ้คันหน้าเราเนี่ยแหละมันช้านะถ้ามันเร็วกว่านี้เราตามออกไปได้แล้วนี่มันเหมือนมันแกล้งนะไฟเหลืองแล้วมันก็รีบชะลอแทนที่จะรีบไปไอ้เวนนะเออนี่ยโทรสามขึ้นนะเนี่ยเห็นไฟแดงนะแล้วไฟแดงคันแรกเลยเจ็บมากเลยนะถ้าไฟแดงคันที่ร้อยเห็นแล้วเออ อีกนานนะทําใจได้รู้สึกไหมทําใจได้แล้วพาไฟเขียวก็ไม่รีบหรอกรู้ยังไงก็ไม่ทันนะไม่ต้องรีบนะแต่ถ้าถ้ามีลุ้นว่าจะทันเนี่ยนะ ใ, นใ จ, จะอยากให้มันไปเร็วๆไอ้คันหน้าเราทําให้ช้านักวะมึงทําไมไม่รีบตรงไปเสืกจะเรี้ยวขวาเนี่ยเราวิ่งตามหลังเข้ามาอย่างนี้นะมันจะรอเรี้ยวขวาอีกมันไม่ยอมไป ออือออนี่รู้สึกไหมเนี่ยกรรมฐานล่ะไม่เห็นจะยากอะไรเลยนะเรื่องง่ายๆแค่นี้แหละทําไมทําไม่ได้นะจะกินข้าวนะจะกินข้าวจะอาบน้ํำจะอะไรเนี่ยดูดได้เท่านั้นเลยเวลาหนาวๆแล้วถ้าไม่มีน้ําร้อนอาบสมมติเราอาบน้ําในตุ่มใครเคยอาบน้าในตุ่มบ้างยากมือสิตุ่มดินนะไม่ใช่ตุ่มพลาสติกนะ รสชาติไม่เหมือนกันหลวงพ่อเคยอาบทั้งสองแบบเนละตุ่มพลาสติกเนี่ยจืดชนะืดตุ่มดินเนี่ยสุดยอดเลยเวลาหน้าหนาวแค่เห็นนะใจก็นะหนาว เ, เรื่องเลยไหมลาดลงไปทีเดียวหัวชาเลยขันที่หนึ่งโอ้ยกลัวที่สุด คามขันที่หนึ่งยร า, าดได้นี่ใจนี่หวั่นไหวอยู่นานเลยนะทําใจอยู่นานเลยในสุดราดไปพอขันที่สิบเนี่ยเริ่มง่ายขึ้นล้วเริ่มรู้สึกไหมพอขันท้ายๆเช็ดตัวอุ่นแล้วรู้สึกไหมเวลาหนาวๆไปอาบน้ําเย็นๆ น, นะาอาบน้ําเย็นเสร็จแล้วมีความสุ่ยแล้วเนี่ยเวลาเราจะภาวนานะเราวัดใจของเราไปเรื่อยๆนะใจมันกลัวใจมันสยองน้ําเย็นรู้ทันนะ ความกลัวจะค่อยๆลดลงนะค่อยๆลดลงน้งทั้งๆที่ความกลัวลดลงแล้วนะอาบมาหลายขันแล้วเริ่มทนได้แนละ้วมีลมโชยเข้ามานะใครเคยอาบน้ำกลางทุ่งบ้างอาบน้ำกลางแจ้งใครเคยทำบ้างไปลองดูแล้วจะรู้ว่าชีวิตมีรสชาตินะหนาวนะน่าหนาวนะ น, น, นี่เราคอยดูใจของเรานะใจมันเปลี่ยนพออาบน้ำเสร็จเช็ดตัว ตัวอุ่นๆแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะจะเห็ น, นจิตใจมีความสุขเนี่ยคอยรู้อยู่ที่จิตเรานะจิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยที่เราห้ามมันไม่ได้การที่เห็นบ่อยๆนะต่อไปปัญญามันจะเกิดนะมันจะรู้จิตนี้มีแต่ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเปลี่ยนได้เองนะเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกนะเจ็นวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนั่นแหละดูเข้าไป อาจจะได้พราละหันหรือผ้านาคามีนี่บางคนบอกว่าทามา20ปีแล้วยังไม่ได้เลยท ร, รมา20ปีนะแต่รวมเวลาที่ทำจริงๆนะั้นได้วันสองวันเองนะอย่างนั้น อ, อีกเท่าไหร่มันก็ไม่ได้นะวันวันนึงมีแต่หลงมีความรู้สึกตัวแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หลงยาวหลงไปตั้งหลายชั่วโมงนะแล้วรู้สึกตัวสองสามวินาทีแล้วก็หลงอีกยา ว, ยาว แล้วก็จะมาบอกว่าเนี่ยปฏิบัติมาที่สิบปีแล้วยังไม่สําเร็จอีกก็สมควรแล้วนะไม่รู้จะสมน้ําหน้าดีหรือเปล่านะหลวงพ่อนะขยันนะหลวงพ่อคอยดูของหลวงพ่อตลอดเลยยิ่งเจอหลวงฟู่ ด, ดูล้วนะดูทุกวันเลยดูทั้งวันเลยยกเว้นตอนทํางานที่ต้องคิดอันหนึ่งตอนนอนหลับอีกอันหนึ่งนะสองตอนนี้ภาวนาไม่ได้ตอนที่ทํางานที่คิดเนี่ยสติสมาธิปัญญาไปอยู่ที่งาน นะตอนนั้นหลักสติสมาธิปัญญาไม่มีจิตมันลงผวังนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นไม่ได้ปฏิบัติอยู่สองช่วงเวลาที่เหลือเนี่ยคอยรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆจิตใจเราสุขทุกข์ดีชั่วนะคอยรู้ไปเรื่อยเลยเวลาไปส่งกันบ้านครูบาอาจารย์บางทีพระมาถามหลวงพ่อนะบอกโยมภาวนาอย่างไงโยมภาวนาปีหนึ่งนี่นะเหมือนพระภาวนาสิบปียี่สิบปีหลวงพ่อก็บอกท่านตรงๆอ่ะ ผมภาวนาทั้งวันท่านไม่เก็ตหรอกท่านก็บอกท่านก็ภาวนาทั้งวันเหมือนกันเช่นพุโทโธแล้วก็เงียบๆอยู่ทั้งวันคนละเรื่องกันนะภาวนาทั้งวันหมายถึงว่าอ่านใจตัวเองอยู่ทั้งวันเลยจิตใจเราเป็นยังไง ร, รู้ทันไปหมดเลยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าใจเป็นประธานในธรรมะทั้งปวงหนะลวงปู่มั่นบอกได้ใจก็คือได้ธรรมเสียใจไปก็คือเสียธรรมะไปเนั้นคอยรู้เท่าทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆ มันกระทบมารมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันทํางานยังไงขึ้นมารู้มันไปเรื่อยๆนะมันจะสอนธรรมะเราเองมันจะสอนให้เห็นว่าจิตทุกชนิดไม่เที่ยงจิตทุกชนิดไม่ใช่ตัวเราถ้าลงเห็นขึ้นมาจนถึงจิตไม่ใช่เรานะขันห้ารูปนามกายใจจะไม่ใช่เราเพราะขันห้าเป็นผลผลิตของจิตมีจิตดวงเดียวนี้เองสร้างขันห้าขึ้นมาได้แล้วพอเห็นจิตไม่ใช่เราขันห้าก็จะไม่เป็นเราะร่างกายนี้ไม่เป็นเรา เป็นของถูกรู้ถูกดูนะความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่เรามันของถูกรู้ถูกดูความดีความชั่วไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดูเนะนี่ยค่อยรู้ค่อยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะง่ายๆสุดท้ายไม่เห็นความจริงนะเวลาที่อริยมรรคอริยผลจะเกิดเนะี่ยเราไม่รู้เรื่องหน้าหรอกนะถ้าเราคิดว่าจะเกิดแล้วจะเกิดแล้วไม่เกิดหรอกนะม่เกิดตอนที่เราไม่ได้คิดไม่ได้โลภ เกิดขึ้นฉับพลั น, นชค่วขณะจิตเดียวเท่านั้นเองชีวิตจิตใจของเราก็เปลี่ยนไปหมดละมรรคผลไม่มีใครทำให้เกิดได้มันเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์ศีล ส, สมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ได้ต้องมีสติเย่ยงเรามีสติรู้ทันจิตของตัวเองนะกิเลสอะไรมาเรารู้ทันเนนะเราจะไม่ถูกกิเลสครอบงา เมืเราไม่ถูกกิเลสครอบงําแล้วเราจะมีศีลอัตโนมัติคนทําผิดศีลเพราะถูกกิเลสครอบงอําเดี๋ถูกความโกรธครอบงําก็ไปด่าเขาไว้ตีเขาไปขโมยเขานะแกล้งเขาอะไรเงี้ยหรือเกิดราคาครอบงํานะก็ไปฆ่าเขาได้นะฆ่าค่มขืนยังได้เลยฆ่าเขาก็ได้ขโมยเขาก็ได้เมีราคาโกหกเขาก็ได้ดัง น, นั้นที่คนเราทําผิดศีลเนนะี่ยเพราะกิเลสครอบงําจิต ถ้ากิเลตเกิดแล้วเรามีสติรู้ทันกิเลสจะครอบงําจิตไม่ได้กิเลสจะกระเด็นออกไปจากจิตเราศีลของเราจะสมบูรณ์แล้วสมาธิมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านเป็นกิเลสถ้าใจเราฟุ้งซ่านใจเราวิ่งไปวิ่งมาเรามีสติรู้ทันใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมานะสมาธิจะเกิดเพราะเรามีสติรู้ทันจิตที่ไม่มีสมาธินั่นแหละ แล้วจิตจะมีสมาธิขึ้นมาเห็นสมาธิจะได้อัตโนมัติมีศีลมีสมาธิแล้วเราก็เห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วจิต ท, ทุกชนิดไม่เที่ยงจิต ท, ทุกชนิดเป็นของบังคับไม่ได้นี่คือตัวปัญญาถ้าเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาสมบูรณ์แล้วเนี่ยอริยมรรคจะเกิดขึ้นเองไม่มีใครทา อริยมรรคให้เกิดได้นะแต่อริยมรรคจะเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์ศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ได้ต้องมีสติรักษาจิตเอาไว้คอยเรียนรู้จิตตัวเองไปแล้วศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์ขึ้นมาง่า ย, ยไหมเห็นจะยากเลยถ้าใครว่ายากก็ ค, คือพวกไม่ปฏิบัตินะเพราะหลวงปู่ดูลบอกแล้วการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติ ต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะคอยอ่านจิตตนเองจิตใจเป็นสุขรู้ทันจิตใจเป็นทุกข์รู้ทันจิตใจโลภโกรธหลงรู้ทันจิตใจดีนะเช่นอยากฟังธรรมะเนี่ยจิตใจเป็นกุศลอยากใส่บาตรอะไรเงี้ยนะจิตเป็นกุศลเนี่ยรู้ไปจิตเป็นกุศลก็รู้เป็นอกุศลก็รู้ จิตสุขจิตทุกข์ก็รู้จิตยินดีจิตยินร้ายก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็รู้รู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตทุกอย่างไม่เที่ยงจิตทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราเมื่อไรจิตไม่ใช่เราร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูโดยจิตยิ่งไม่ใช่ตัวเราใหญ่ ควารู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นของที่จิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราขนาดจิตไม่ใช่เราแล้วก็ไม่มีอะไรเป็นเราอีกแล้ววันใดเห็นว่าจิตไม่ใช่เราขันห้าจะไม่ใช่เราโลกทั้งโลกจะไม่ใช่เราแล้วต่อไปปัญญาขั้นสุดท้ายนะขั้นสูงไม่ใช่เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกจะเห็นว่ามันคือตัวทุกข์จิตนี้คือตัวทุกข์ถ้าเห็นว่าจิตเป็นตัวทุกข์วันไหนนะวันนั้นจะเป็นพระอรหันต์ล้วเพราะวันนั้นจะปล่อยวางจิต นะวางจิตได้ตัวเดียวก็จะวางขันห้าทั้งหมดซึ่งเป็นผลผลิตของจิตวางขันห้าได้ก็วางโลกทั้งโลกได้นะงั้นรู้ที่จิตดวงเดียวนี้แหลนะล้าที่จิตดวงเดียวนี้แหละล้าโลกทั้งโลกเลยนะแต่หา ก, ก า, ตากันตรงนี้ข้ามวัตตากันตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากดูบ่อยๆนะไม่ใช่ว่าต้องดีนะจิตชั่วก็ได้แต่ชั่วเรารู้ว่ากาลังชั่วอยู่ เวลาชั่วเราไม่รู้นี่ใช้ไม่ได้ชั่วเราไม่รู้ว่าชั่วเนี่ยเลวที่สุดนี่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่หลวงพ่อบอกท่านบอกว่าจิตเป็นกุศลนะรู้ว่าเป็นกุศลดีจิตเป็นกุศลไม่รู้ว่าเป็นกุศลอยู่ไม่เอาไหนจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีจิตเป็นอกุศลไม่รู้ว่าเป็นอกุศลอยู่เลวสุดๆเลยแย่ที่สุดเลย เพราะไม่มีทางพัฒนาเพราะงั้นทะีน่คําว่าดีคําว่าไม่ดีสําหรับนักปฏิบัติเนี่ยก็คือรู้ทันหรือไม่รู้ทันถ้ารู้ทันกระทั่งกิเลสนะรู้ว่ามีกิเลสอยู่ตรงนั้นดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะเพราะงั้ น, นต่อไปนี้เราเป็นคนดีแบบใหม่คือมีอะไรเกิดขึ้นในใจเขารู้ทันแล้วดีเองนะดีเลิศด้วยไม่ใช่ดีธรรมดาเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีถัดจากนี้ไป อาจจะเป็นภาริยะบุคคลขึ้นมานะคนอื่นเขาเป็นได้ทําไมเราอยาเป็นไม่ไดนะ้อย่างนี้เรียกว่ามานะนะเป็นกิเลสแต่ว่าเอาไว้ก่อนนะเอากิเลสมาบิ้วตัวเองให้สู้หน่อยนะไม่เอากิเลสมาบัญฑรไม่ยอมสู้นะทําไมคนอื่นเขาทาได้ทําไมเราจะทําทไม่ได้หนะลวงพ่อเคยคิดนะ ครูบาอาจารย์ทำได้เมื่อก่อนท่านก็มีกิเลสเหมือนเราตอนนี้เรามีกิเลสทําไมท่านเข้าถึงความสะอาดหมดจดได้เห็นก็รู้แล้วว่าท่านสะอาดขนาดไหนทําไมท่านทําได้ท่านก็ผ่านกิเลสมาก่อนเราอีกก็ท่านผ่านมาด้วยวิธีที่ท่านสอนเรานี่แหละมีศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาจะมีได้ต้องมีสติกับสมาธิขึ้นมาีใจเป็นคนดูนะแล้วก็มีสติรู้ทันไป พระพุทธเจ้าก่อนจะเป็นพระพุทธเจ้ามีกิเลสไหมมีเคยตกนรกไหมพระโพธิสัตว์ก็ตนกนรกใช่ไหมเพรานั้นก่อนที่ท่านจะเป็นพระพุทธเจ้านะท่านเคยตกนรกมาแล้วเพราะฉนั้นท่านก็เคยมีกิเลสมาแล้วแล้วทาไมท่านผ่านได้เราทําไมจะผ่านไม่ได้เราผ่านง่ายกว่าท่านอีกเพราะว่าท่านได้บุกเบิกมาแล้วบอกเส้นทางให้เราเราทําได้ไม่ใช่ทาไม่ได้ฟังเรารู้สึกฮึ่มบ้างไหม ออธรรมะเนี่ยฟังแล้วมันต้องฮึกเหิมไม่ใช่ฟังแล้วห่อเหี่ยวนะหลักการแสดงธรรมนะอันแรกเลยสอนให้รู้จักสิ่งซึ่ ง, งไม่เคยรู้จักนะเนี่ยเสร็จแล้วก็พอรู้จักวิธีปฏิบัติรู้อะไรแล้วนะก็ชักชวนให้ปฏิบัติก็ชักชวนให้ปฏิบัติแล้วบางครั้งขี้เกียจขึ้นมาก็ต้องปลุกเร้าให้คึกคักในการปฏิบัติถ้ามันคึกมากไป ต้องฝึกให้มันเป็นอุเบกขาในการปฏิบัตินะื้นลีลาในการแสดงธรรมนะั้นมีสี่ข้อนะของหลวงพ่อมีครบนะนะว่าไหมถูกหลอกให้คิดแล้วรู้สึกไหมจริงหรือเปล่านะหลงไปแล้วหลงแล้วหลงแล้วมนะั่นรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติ รู้สึกไปแล้วให้ตาหูจมูกริ้นการใจกระทบอารมณ์ไปแล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของใจอันนี้คือการฝึกในชีวิตธรรมดาแต่ทุกวันทำในรูปแบบนะทำกรรมฐานซะอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนนะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมก็รู้เคลื่อนไปคิดก็รู้ตรงนี้เราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิขึ้นมาพอนะเราฝึกในรูปแบบชนานาญตอนออกมาอยู่ในชีวิตจริงเราจะสู้ไหว ถ้าไม่เคยฝึกในรูปแบบเลยเหมือนทหารไม่เคยซ้อมรบนะอยู่ๆออกไปรบก็ตายเปล่าๆแล้วพวกเราก็เหมือนกันก่อนจะไปรบทางหกช่องทางตางหูจมูกลิ้นกายใจสู้มันทางใจทางกายทางใจนี่นหละจิตไหลไปอยู่ในกายรู้จิตหนีไปที่อื่นแล้วรู้อะไรงี้ฝึกไปทุกวันต้องทำนะอย่างน้อยสิบห้านาทีแล้วต่อไปก็เพิ่มมันเพิ่มขึ้นเองนะ นั่งภาวนามีแต่ความสุขอะไม่เห็นได้เป็นไรเลยนั่งสามชั่วโมงก็มีความสุขสามชั่วโมงอะทุกวันนี้ถ้าเริ่มต้นนั่งสามชั่วโมงนะพรุ่งนี้เหลือสองต่อไปเหลือหนึ่งไปก็เลิกเนะพราะมันทรมานเริ่มต้นเอาเท่าที่ทำได้ก่อนนะค่อยๆฝึกทุกวันทุกวันนะเดี๋ยวมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นต่อไปเนี่ยทุกการเคลื่อนไหวเนี่ยรู้สึกตัวตลอด นอนหลับอยู่จะพลิกซ้ายพลิกขวายังรู้เลยนะอย่าว่าแต่ตอนตื่นเลยค่อยๆฝึกเจนสติมาั น, านอัตโนมัติขึ้นมาแล้วพอสมควรเกยวเวลานะประมาณชั่วโมงหนึ่งเสียงแห้งพอดีวันนี้ไม่ได้ตรวจกันบ้านเวลาตรวจกันบ้านเนี่ยหลวงพ่อไม่ได้ตรวจแบบกลางตำล่าว่าเวลาตรวจกันบ้านเนี่ยมันคือการเอาจิตมาแลกกับจิตกัน เราจิตเป็นของที่เคลื่อนไหวรวดเร็วมากหลวงพ่อก็จะต้องดูแลคนที่ส่งกันบ้านเนี่ยอย่างรวดเร็วพอดูแลอย่างรวดเร็วเราต้องคอยบอกอย่างรวดเร็วตรงบอกอย่างรวดเร็วนี้แหละหายใจไม่ทันนะเพราะตอนนี้จมูกมันยังตันอยู่ลูกศิษย์เอาหวัดมาถวายมา <laughs> ประมาณครึ่งเดือดแล้วนะมีลูกศิษย์ น, นั่งยิ้มเปรเลย <laughs> ลูกสิหายไปก่อนแล้วเรายังไม่หายดีไหนะรอบหน้าน่ะ น, น่าจะตัวกันบ้านได้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ตัวกันบ้านนะ้หายใจไม่ทันให้หลวงพ่อหายใจต่อไปก็แล้วกันนะเราจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จริงแล้วการตรวยกันบ้านนะถ้าเรามีโยนิโสมนสิการการตัวกันบ้านไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ หลวงพ่อเรียนกับครูบ า, า อ, อนะบาจารย์นั้งสามสิบวองค์สีิบองค์นะครูบาอาจารย์หลวงพ่อหลวงพ่อเรียนด้วยเยอะแยะหลวงพ่อเคยให้ครูบาอาจารย์ตรวจการบ้านให้เนี่ยเจ็ดครั้งเท่านั้นหองเจ็ดครั้งนอกนั้นใช้สิ่งที่เรียกว่าโยนิโสมนัสิการใช้ความสังเกตเอาว่าไอ้สิ่งที่ทําอยู่นี่ถูกหรือผิดสังเกตโดยมีคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือของครูบาอาจารย์เป็นมาตรฐาน ยมีอยู่คราวหนึ่งนะจิตสว่างว่างอยู่ยนันเป็นปีเลยหลวงพ่อก็อเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่แล้วต้องมีอะไรผิดของไม่เที่ยงทําไมเที่ยงของเป็นทุกข์ทําไมมีแต่ความสุขของไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ทําไมเหมือนบังคับได้คุมจิตเอาไว้ได้ทั้งวันทั้งคืนเลยนะต้องมีอะไรผิดแล้วดูไม่ออกว่ามันผิดตรงไหนพอดีเจอหลวงตามหาบัวนะไปถามท่านบอกพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ผมดูจิตผมก็ดูจิต แต่ทำไมมันไม่พัฒนาเนยผมรู้สึกมันไม่พัฒนาเลยท่านบอกว่าที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วเชื่อเรานะเราผ่านมาด้วยตัวเราเองตรงนี้สำคัญมากนะอะไรๆสู้บริกรรมไม่ได้ท่านบอกอย่างี้หลวงพ่อกรครับกราบขอพระคุณแล้ว ม, มานั่งข้างๆท่ า, านนะ่ะพุโทโธไปพุโทโธพุโทโธท่านให้บริกรรมจิตใจอ่นอัดจิตไม่ชอบพุโทโธนะก็นวนึกทำไมท่านให้พุโทโธ พุทโธเนี่ยทำเมื่อสมาธิไม่พอแสดงว่าสมาธิเราไม่พอหงพ่าใช้อานาปนานสติหายใจเข้าออพูดหายใจออกโทรอะไรย่างเงี้ยฝึกไม่ใช่พุทโธเฉยๆพอหายใจไม่กี่ครั้งจิตรวมพึบเลยนะแทบเขก บ, บาลตัวเองเลยว่าตลอดหนึ่งปีกว่าๆเนี่ยจิตไม่เข้าฐานจิตไปอยู่ข้างนอกว่างสว่างสบายอยู่ขันนะ่ะเป็นปีเลยเนี่ยทำไมเฉลียวใจขึ้นมาเราไปถามครูบาอาจารย์ เพราะว่ามีโอนิโสมนัสิการจิตมันไม่เที่ยงแต่ทําไมจิตเราเที่ยงจิตมันควรจะเป็นทุกข์ทาไมเป็นมีแต่ความสุขทรงสมาธิทรงสมาธิอยู่ทั้งวันทั้งคืนงั้นมีแต่ความสุขจิตบังคับไม่ได้ทําไมมันเหมือนบังคับได้ควบคุมเอาไว้ได้ในอํานาจต้องมีอะไรผิดนี่ถ้าสังเกตไปเรื่อยๆก็เข้ า, เ ข, าเข้าใจได้หรอกนี่เจอครูบาอาจารย์ถามท่านง่ายกว่า ดังสิ่งที่หลวงพ่อใช้มานะหลวงพ่ออาศัยครูบาอาจารย์ไม่มากหลวงพ่ออาศยโยนิโสมนสิการความแยบคายในการสังเกตตัวเองมเมื่อเราเป็นคนในกรุงเทพครูบาอาจารย์อยู่ไกลๆโอกาสที่จะเจอมีไม่มากเมื่อเราอาศัยความสังเกตเอาถ้าสุกเกินไปดีเกินไปสงบเกินไประวังไว้หน่อยนะ<ม>เอานาแล้วสบายจิตต้องไปอยู่ข้างนอกหน่อยสบาย ไปไปฟื้นเอา น, านี่แถมให้นะแทนการตรวจกันบ้านพอสมควรแค่เวลาว่าไปครับวันนี้ก็มีญาติที่รมนำปัจจัยและธยธรร ม, มาถวายนะครับผมขอเป็นตัวแทนนะกล่าวนำให้ทุกท่านได้ร่วมถวายพร้อมกันนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยและทธรรม กับสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่หลวงพ่อประโมทประโมทโชขอหลวงพ่อได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแต่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวจกสิ้นการละนานเถินสาธุนะหลวงพ่อไม่ต้องให้พร น, นะนะ ว่าเราทำดีมันคือพอรในตัวของเราแล้วเลิกโงส่สักทีนะฮะ